เขาไปหาพระลักษณะจนถึงที่อยู่เชิญชวนว่าท่าลักษณะมาเถิดพวกเราจะไปบินทบดีในกรุงราชครืด้วยกันพระลักษณะรับคําแล้วขณะที่พระมหาโมคคลานะกําลังลงจากภูเขาคิจจกูดถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้ แ, แสดงอาการแย้มพระลักษณะถามว่าท่านโมคคลานะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้ม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 ในกรุงราชคฤห์เพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหมอยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้อัตภาพเช่นนี้พระเศษกรรมที่ยังเหลือโมคคลานะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่38